เมื่อวานกะลาสีขาไปองค์หนึ่งพระบวชตัมวากะคงจะเป็นองค์สุดท้ายแล้วมั้งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยครูดอนอลาเป็นวันสุดท้ายเลยวย่างั้นเลยเว่าวันวันที่สิบห้าเป็นวันขีดเส้นตายะกะลาเมือ่อเมื่อวานวันที่สิบสี่เมื่อวานเขาไป มอบอาคารเรียนที่บ้านน้ำโสมอําเภอน้ำโสม่ะตามไม่จริงหลวงพ่อว่านะ่ผู้มีอันจะกินไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นแล้วก็มีสมัครพักพวกรวบรวมกันได้นะ่ควรจะทควรจะแข่งกันทำสาธารณประโยชน์อย่างนี้นะสาธารณประโยชน์อย่างนี้ให้เข้าให้เป็นดูซะก่อน ให้ไปดูอาคารเรียนเขาก่อนมีความจำเป็นมากไหมมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือถ้ามันจำเป็นมากก็ควรจะให้ทำให้เขาแต่ถ้าว่าจาเป็นน้อยอเราก็รอไปก่อนแต่บางครั้งโดยมากส่วนราชการเนี่ยโดยมากก็ไม่ได้คิดให้รอบคอบซะก่อนอย่างมาขอเงิน จะมาขอรถกับหลงตาเนะี่ยบางทีหลงตาก็ได้ตะเพิดออกคือมาขอรถเก๋งจากหลวงตาเวลาไปไประชุมไปที่ไหนลําบากนะอันนี้มันก็อันนี้เป็นหมอฮะหมอมาขออใช่ว่าขอรถตู่ก็ได้แล้วเแต่เราขอรถเก๋งอันนี้มันต้องต้องคิดซะก่อนคือการที่จะขอมันก็ต้องขอเพื่อส่วนรวม ขอรถตู้นี่อีกมันก็เหมาะแล้วแต่ว่าขอรถเก่งนีมน่มันเกินไปอันนี้ก็เหมือนกันโรงเรียนเนี่ยโดยมากครูใบอาจารย์มาขอเอมาขอถน น, นบ้างเอมาขอห้องไปชุมบ้างมาขอโรงอาหารออมาขอบ้านพักครูอย่างนี้อ่ะค่ายกว่า แต่ผู้บริจาค ก, ก็ต้องคิดซะก่อนเะไม่ใช่ว่าเงินเหลือกระเป๋าแล้วก็เขาขออะไรก็ให้ทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นเวลาจะเวลาจะให้ก็ต้องเขาจะเน้นหนักเรื่องห้องห้องเรียนมากที่หลวงพ่อได้ผ่านๆมาผู้บริจาคทั้งหลายแหลขอสิ่งไหนมากเขาก็เฉยๆแต่ห้องเรียนเนี่ยถ้าห้องเรียนสับสชุดโสมมากหลังคารั่ว ห้องนักเรียนไม่เพียงพอในการเรียนอันนี้เขาจะใส่ใจเป็นพิเศษเขาจะต้องเขาไปดูก่อนที่จะให้เขาไปดูซะก่อนตั้งคณะกรรมาการไปดูซะก่อนเพราะเขาจะวางเงินตั้งหลายล้านเนี่ยเพราะนั้นก่อนที่เราจะขออะไรจากคนรวยเนี่ยเราต้องคิดให้รอบคอบอยู่เหมือนกันจึงจะขอเขาพอขอเสร็จแล้วนั่นแหละ เขาก็ไปดูซะก่อนไปดูแล้วก็เหมาะสมเขาก็ให้อย่างไปโรงเรียนบางแห่งโรงเรียนห้องเรียนไม่พอเขาก็ผู้ที่จะบริจาคนี่นก็เขาก็ตั้งทีมไปไปดูสมควรจะให้ไหมพอไปแล้วก็พอ อ, อผู้อำนวยการก็เห็นว่าเออด่อนรับกับสู้อย่างดีเพื่อจะให้ชี้แจง ต่อคณะกรรมการที่มาดูแล้วก็จะได้สร้างโรงเรียนให้แต่พอมาเอาไปเอาไปห้องพอออันพอไปถึงห้องพออพวกนี้ก็ตื่นห้องพอออีกทีมีทั้งห้องวงห้องแอร์มีอะไรครบหมดทุกอย่างคนคนเดียวอยู่ตั้งสองห้องบ้าใหญ่บ่าเล่อบ้ล่าเลยบ้าดโถมันก็ไม่พอไหนสิ ห้องพอ อ, อทำไมจึงใหญ่ขนาดนี้คนคนเดียวจะทาไรมันจึงจะพอถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าทำอย่างนี้สร้างสร้างให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเหตุอะไรเพราะผู้บริหารจัดห้องไม่เป็นสําหรับห้องหนึ่งจะใช้ยังไงแต่และห้องควรจะจัดยังไงอันนี้แล้วจัดห้องไม่เป็นจะสร้างให้เท่าไหร่พวกเราสร้างให้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอถ้าลักษณะอย่างนี้พวกนั้นก็เลยถอยกรธอไเงี้ย เลยมาบ่นให้หลวงพ่อฟังอีกต่างหากคนนั้นนะหลวงพ่อก็เลยบอกคณะครูบายอาจารย์ที่มาขอโรงเรียนบอกวคนนี้นะคนที่เขาจะใหนะ้เขาไม่ได้คิดหน้าเดียวนะเขาคิดรอบคอบนะก่อนที่จะปล่อยเงินออกไปสร้างอาคารเรียนแต่ละหลังนะไม่ใช่ว่าเขาเงินเหลือกระเป๋าแล้วก็เทียเทียร์ชิ้งชิ้งไปอย่างนั้นไม่ใช่นะเงินทุกบาททุกสตางค์เขามีคุณค่านะ เขาจะใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงเขาก็ใช้ได้แต่นี่นเขาคิดว่าควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมโรงล่าโรงเรียนให้เกิดประโยชน์คนในชาติที่จะพัฒนาไปได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาถ้าคนในชาติโง่เง่าเต่าตุตนแค่อย่างเดียวเท่านั้นดึงไปที่ไหนก็เหมือนกับจูงวัวจูงควายตามหลังไปเลยเพราะเหตุไรเพราะมันโง่เพราะไม่ได้รับการศึกษา เพราะนั้นการที่จะให้หลงลํำโรงเรียนสถานการศึกษาเนี่ยเขาต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนที่เขาจะให้ในเมื่อให้แล้วก่อนนั้นเพื่อจะให้ครูบาอาจารย์มีกำลังใจ เ, เมื่ออาคารสูงต่างงานขึ้นมาแล้วครูบาอาจารย์ทำตัวกระจกกรนะจกกันเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่เขาก็จ้องจะต้องดูผลการเรียนการสอนเขาเป็นยังไง ครูทั้งหลายก็จะได้ตื่นตัวเมื่อตื่นตัวขึ้นมานักเรียนก็จะได้ใผลการเรียนการสอนของเขาก็จะดีขึ้นเออมันก็จะไปด้วยด้วยกันแต่ถ้าว่าเราไม่ให้การสนใจไม่ความสนใจโรงเรียนกมศ อ, อ, อยู่อย่างนั้นครูทั้งหลายก็ชังกระตายอยู่อย่างนั้นแล้วประเทศชาติบ้านเมืองจะพัฒนาไปได้อย่างไรดัง น, นั้ผู้เขาคิดเขาก็ต้องคิดคิดกว้างขวาง ที่จะพัฒนาประเทศชาติช่วยกันถ้าว่าคนในชาติต่างคนต่างมีสติมีปัญญามีความรู้มีความสามารถคนในชาติก็จะพัฒนาไปได้การจะพัฒนาสิ่งใดก็ตามต้องพัฒนาคนก่อนแต่ถ้าว่าคนในชาติไม่ได้พัฒนาไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมมีจริยธรรม จะทำวัตถุอย่างอื่นหรูหราโออาก็ทำไปได้อย่างงั้นคือทำไปแล้วเสร็จแล้วคนในชาตินั้นน่ะคนที่ไม่มีคุณภาพนั่นน่ะจะเป็นผู้ทำลายพอสร้างเสร็จคือมากันนั่นแหละไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ทำลายอีกต่างหาก สิ่งไหนที่ของมันดิบมันดีอกอกน้าทองคำก อ, อ ก, กน้าที่มันดีเนี่ยเขาจะปลดเอาไปขายหมดเหมือนกันลอดฟงลอดไฟที่มันสวยหรูหราโอา้าคนในชาติเขาทำลายเอาไปขายหมดปลดสายไฟเอาไปขายหมดเพราะเหตุอะไรพรากคนในชาติไม่ได้พัฒนาแต่ถ้าว่าคนในชาติพัฒนาแล้วเห็นคุณค่าของวัตถุพัฒนาคนจะก่อน แล้ววัตถุจะมาตามมาอันนั้นถูกต้องจะพัฒนาวัตถุ ก, ก่อนแล้วพัฒนาคนทีหลังเยแปลว่าคิดผิดแล้วหลวงพ่อว่านะคนต้องมาก่อนเพราะคนเป็นเจ้าของสมบัติแต่ถ้าว่าคนดีเช่อย่างเดียวถึงจะถาวรนวัตถุจะไม่หรูหราโออ่าก็ต่างคนต่างมีคุณธรรมศรินธรรมจริยธรรมต่างคนต่างหมั่นขยันสอนให้คนขยัน ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละประเทศชาตินั้นกก้าวไปได้ก้าวไปได้ก้าวไปได้ดีถ้าหากว่าคนในชาติไม่ได้รับการศึกษาแล้วก็คนไม่ได้รับการศึกษานี่มันออกไปทุกที่ทุกทาง่ เออเหมือนกับสัตว์ทิฏฐิาญนั่นแหละลูกจุดแท้กันมันมันจะหิวมันจะอยากเออมันมีอํานาจมันมีกําลังมันก็สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้รับการศึกษาแต่ได้รับการศึกษาดีแล้วอันนั้นอีกอย่างนึงแต่ถ้าว่าอะไรรับการศึกษาอย่างเดียวเออให้แต่ความรู้อย่างเดียวตะขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันนั้นก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกัน เหมือนกับเรารับมีดให้ต่างคนต่างคนต่างมีมีดมีอาวุธอันคมกริบเอออาวุธที่มีประสิทธิภาพออการสอนให้ก็คือสอนวิชาความรู้ให้ เ, ออเหมือนกับติดอาวุธให้เหมนนตติดอาวุธอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าไม่ได้สอนวิธีการรักษาว่าควรใช้ยังไงอาวุธตัวเนี้ย ที่มีประสิทธิภาพอย่างเนี้แต่ถ้าบอกไม่ได้สอนคุณธรรมเข้าไปควบคุมเข้าไปกำกับดูแลรักษาจุดนั้นเหมือนกับอะไรมีดไม่มีฝักเนี่มีดเปือยมีดไม่มีฝักนี่คิดสนุกจะจิ้มแทงคนไหนก็แทงเล่นไปเป็นของสนุกไปเพราะเหตุว่าเพราะมีอาวุธมีประสิทธิภาพแล้วอันนี้แปลว่า เป็นผู้มีความรู้แต่ขาดคุณธรรมไม่มีคุณธรรมในจิตใจไม่มีไม่ได้คิดถึงเขาถึงเราต่างว่าเราไปทำให้แก่เขาเขามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาทำให้แก่เราเรามีความรู้สึกยังไงไอ้ น, นี่แต่คุณธรรมมันอยู่ในระหว่างกลางเท่นี่เมื่อเรามีความทุกข์เราก็ไม่ควรทำให้แกเขาเมื่อเขามีความ อย่างนั้นเขาก็ไม่ควรทำให้แกเราเขารับสิทธิ์ซึ่งกันและกันถึงจะมีความรู้ต้องมีคู่คุณธรรมด้วยถ้าว่าไม่มีคุณธรรมในจิตใจมีแต่ความรู้เนี่ยเดือดร้อนพูดได้อย่างนั้นอีกพอเอาความรู้ใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นความรู้ที่แหลมคมแต่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่ามีคุณธรรมในจิตใจแล้ว จะเอาความรู้นั้นไปใช้ก็ต้องมีคุณธรรมในจิตใจต้องคิดให้ก่อนด้วยความเมตตาใจเขาใจเราก่อนจะทำสิ่งใดประกอบด้วยเมตตาในเพื่อ ร, ร่วมโลกร่วมชาติเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวจิกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมนโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาเนะี่ยคือให้เมตตาเป็นหลักนะเมตตานั่นก็คือกุณธรรมกายกรรมก็คือการกระทําเมื่อเข้าไปคบเขาไปพูดคุยกับเขาเออก็ต้องมีเมตตาเป็นหลักเมื่อไปวิีกรรมการพูดก็ต้องมีเมตตาเป็นหลักเมื่อคิดในใจขึ้นมาขึ้นจะไปสงเคราะห์เรียกว่าคิดไปหาคนนะั้นก็ต้องมีเมตตาซะก่อน มีเมตตาธรรมในใจซะก่อนอันนี้แหละหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนสาวกของพระ อ, องค์สรุปแล้วก็คือให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองก็ไปด้วยได้รวยราบพรึ่นไม่มีปัญหาเพราะคนในชาติมีคุณภาพมีคุณธรรม มีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีสรุปแล้วก็คือให้พัฒนาคนก่อนให้พัฒนาหัวหน้าหัวหน้าคือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าว่าพัฒนาใจดีแล้วส่วนอื่นก็มันก็ดีไปตามแต่ใจไม่ดีแค่อย่างเดียวเท่านั้ น, น, นเดือดร้อนไปหมดทุกหัวละแห่งหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าวัด หัวหน้าครอบครัวกำนันนายอำเภอผู้ว่าตามลำดับขั้นตอนนะถ้าว่าขาดไม่ได้รับการอบรมที่ดีไม่มีคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็นั่นะเดือดร้อนไปทั่ทุกหัวละแหง่งดีนะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ตรัสเอาไว้ว่านะให้อบรมหัวหน้าซะก่อนหัวหน้าดีสะอย่างเดียวท่านั้นนะ หัวหน้าเป็นพระอรหันต์คือใจเป็นพระอรหันต์กายวาจาก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยแต่ถ้าว่าใจเป็นนักเลงกายวาจาก็เป็นนักเลงไปด้วยมันป้อยไรเพราะหัวหน้าไม่ดีเพราะนั้นหัวหน้าสมควรอย่างยิ่งจะได้รับการอบรมด้วยศีลและธรรมให้รับพรอ น, อนโมทนาให้พร